อันนี้ยาดยิโยมมาจากที่ไหนกันบ้างเคยมาหรือเปล่าเพื่มาครั้งแรกเหอรอู้จากที่นี่ได้ยังไงคุณที่เป็นสถาปัตยศาสตเป็นไครัเแ า, าแนะนำมาก็าให้มาทำอะไรนะ ให้เมาอะไรอย่นี่งี้ธรรมะนะโอธรรมะที่ศพศิษก็คุยเรื่องการปฏิบัติกับรณะอยู่อ้คุณบรณะก็เลยนะนำท่ตรงนี้เป็นที่ที่เคยไปปฏิบัติที่ไหนมาบ้างก็ที่จะไปบ่อนก็จะไปที่ส่งแกู อแล้วได้ผลมั้งหรือเปล่าเป็นช่วงๆมากกว่าค่ะช่วงไหนถ้าขยัปนปฏิบัติเองก็จะรู้สึกดีช่วงไหนถ้ายุ่งอยู่กับเรื่องอื่นก็ก็ไม่ได้ผลแล้วไม่อยากได้ผลนะ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 เราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักหรือว่าผลที่เกิดจากงานทางโลกกับงานทางธรรมอันนี้อันไหนจะมีประโยชน์กว่าถ้างงานทางโลกก็มีประโยชน์ชั่วคราวชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่แต่ถ้า ง, งานทางธรรมนี่มีประโยชน์ยาวนานกว่า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 เบรกที่จะชะลอความเร็วที่จะทำให้รถนี้หักโค้งให้วิ่งอยู่บ น, บนถนนไ ด, ด้ก็ต้องตกเหวไปทางโลกก็ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างประโยชน์ทางทางแต่ถ้าเราละลึกอยู่เรื่อยๆทุกวันวันนราละหลายรอบ วม่าเราเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาจากสิ่งต่างๆที่เราหากำลังหาอยู่นี้หามาได้เท่าไหร่มากน้อยเพียงไรไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพัดภาจากกันแล้วหาไปให้มันเสียเวลาทำไมเวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้อาศัยมันเป็นที่พึ่งไม่ได้ เวลาที่เจ็บ่ข้ได้ป่วยเวลาที่แก่เวลาที่ตายนี่คือสิ่งที่พระพุทธจเจ้าได้ทรงบำเพ็ญก่อนที่จะทรงออกบวชทรงแล้วเลิกถึงเทวทูตสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชนักปฏิบัติธรรมถ้าเราเลิกถึงเทวทูตทั้งสี่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 รับประทานกับการหาอาหารหาเครื่องดื่มต่างๆมารับประทานสามจะช่วยกําจัดความง่วงเหงาเหานอนที่มักจะเกิดขึ้นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเวลาจะนั่งสมาธินี่มักจะสับประงกง่วงนอนนั่นก็เป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารมากเกินไปถ้าเราโมเดา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 ร่างกายก็จะเบาจะตื่นตัวจะไม่น่วงนอนจะมีะเวลาปฏิบัติได้ยาวตั้งแต่บ่ายก็จะท่องถึงเวลาสี่ห้าทุ่มถึงเวลานอนเลยแต่ถ้ายังมัวลารับประทานอาหารกันในตอนเย็นกว่าจะรับประทานเสร็จก็หลายหกโมงเจ็ดโมงกว่าจะ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 มานั่งสมาธิทาใจให้สงบนี่คือหน้าที่ของศิลแปดเพื่อที่จะกั้นความอยากที่จะเอาเวลาที่มีค่าที่จะเอามาใช้ในการปฏิบัตินี้กั้นไม่ให้เอาไปใช้ในทางความสุขทางโลกอยากจะหาความสุขทางโลกหาวันอื่น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 ถ้าเรานวมร่วมหลับนอนกันก็หมดเวลาไปทั้งคืนถือถือศีลปรมจันทร์แล้วศีลก็เจ็ดก็ตัดเรื่องการบันเทิงมหัรศพต่างๆไม่ไปดูภาพยนตร์ไม่ไปดูละครไม่ไปดูริเิตดูมิ้วไม่ไปดูมหารศศพต่างๆเครื่องบันเทิงต่างๆ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 ความสุขใจที่เกิดจากความสงบสมัยนี้ไม่มีวันพระเลยไม่มีใครบังคับสมัยก่อนอย่างน้อยยังมีมีกฎมีประเพณีบังคับอยู่มีวันสำคัญสคัญทางศาสนาที่ทำให้เราต้องหยุดภารกิจการทามาหากินทางโลกกันสมัยนี้มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆ ต่อไปต่อมาก็คิดว่าเชื่อว่าวันสาคัญทางศาสนานี้ก็จะถูกตัดไปจากการเป็นวันหยุดทางราชการพอต่อไปจะอ้างว่าอมีคนนับถือหลายศาสนาด้วยกันถ้าจะให้หยุดวันหยุดทางพุทธศาสนาก็ต้องมีวันหยุดทางคริสต์ศาสนาต้องมีวันหยุดทางศาสนาอิสลามอิสลามกีนอะไรว่าไป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 เป็นตัวกำหนดบังคับให้เราปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติได้น้อยมากเราจึงต้องใช้วิธีแบบที่พุทธเจ้าได้ทรงบำเพญ็ญได้ทรงปฏิบัติมาก็คือต้องเราเลิกถึงเทวทูตสี่อยู่เรื่อยๆให้เราเลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆสงสอนให้ชาวพุทธเรา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 ไม่เหลือดร้อนเพราะเรามีธรรมะคอยพยุงใจของเราคอยประครับประคองใจของเราไม่ให้สุดลงไปเวลาที่เราจะต้องเจอกับข่าวร้ายต่างๆนี่คือประโยชน์ทางธรรมถ้าเรามีธรรมอยู่ในหัวใจเราแล้ ว, ลวจะมีข่าวร้ายขนาดไหนมาปรากฏมันจะไม่ทำให้ใจเราสุดลงไป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 พอเกิดพายุฝนขึ้นมาเราก็จะไม่มีที่หลบฝนเพราะเราคิดว่าฝนยังไม่ตกเพราะพายุนี่มันเวลามันมามันไม่ได้ใช้เวลานานมันมาเปิดปุบปัตอ์บางทีไม่ทันกี่ชั่วโมงมันก็ตั้งเขาแล้วก็เริ่มปรากฏผลขึ้นมาแล้วทันใดเหตุการณ์ต่าง ที่จะทำให้จิตใจของเราปั่นปวนว้าวุ่นขุนมัวนี้มันเกิดขึ้นทันทีทันใดนะตอนนี้มันไม่มีอะไรเราก็อาจจะประมาทนอนใจคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเราอยู่อย่างนี้สบายกันแต่สักวันอนึ่งเดี๋ยวมีปัญหาเกิดขึ้นมาปุ๊บปั๊บนี่เหมือนมีพายุมาถ้าเราไม่สร้างบ้านสร้างที่หลบพายุไว้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 เล่นไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเราก็เอาวันนั้นมาหาความสุขทางธรรมกันหาประโยชน์ทางธรรมกันไปอยู่วัดถ้ามีวัดอยู่ถ้าไม่มีถ้าทําบ้านให้เป็นวัดได้ก็ทําจัดห้องไว้สักห้องหนึ่งที่ไว้สักที่หนึ่งที่เราอยู่ได้ตามลําพังไม่มีใครมาวุ่นวายมารบกวนเรา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 มันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติทำขั้นต่างๆมีการทําทานในระดับต่างๆมีการรักษาชีวในระดับต่างๆมีการเจริญสติสมาธิปัญญาในระดับต่างๆความเข้มข้นต่างกันในระดับต่างๆถ้ามีการปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง อยู่ตลอดเวลาผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับนี่คือสิ่งที่ผู้ที่ได้บรรลุทําได้ปฏิบัติกันมาพระพุทธเจ้าก็ดีพาาระอรหันตสาวกก็ดีท่านได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกก็เพราะการปฏิบัติไม่ได้บรรลุเพราะการอยู่เฉย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 มันจะต้องเห็นว่าเรานี่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเรามัวมาหาความสุขเล็กๆน้อยๆจ า, ากทางตาหูจมูกเลิ้นกายกันทำไมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายนี่ความสุขเ่านี้ช่วยเราไม่ได้เลยถ้าเรามีธรรมนีเราจะมีที่พึ่งมีที่ให้ความสุขกับเรา ในทั้งๆ ท, ที่ร่างกายของเรานี้เจ็บไข้ได้ปวดหรืร่างกายของเราจะตายไปเราก็ยังมีความสุขได้ดังนั้นก็ขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาเพื่อที่จะได้นําเอาไปสู่การปฏิบัติเพื่อผลที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรในเวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะทาวาริวาหาปูราปาเปูเรนติสาทลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังออปกาปฏิอิชิตังปฏิตังสุมหังคิ ป, ปะเมวะสนิจาต สัพเพโบเรนตุสังกาปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีดิสนิจัวุทธาปะจายโน จตารโหธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังใครยังไม่ได้หนังสือซีดีก็ขอเชิญมาหยิบไปได้นะเอาไปอ่านเอาไปศึกษาเพื่อจะได้มีแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติถ้าไม่ศึกษาก็าจะไม่รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูก ก็จะผิดปฏิบัติแบบผิดผิ ด, ผ ด, ผดถูกถูกได้ผลก็จะไม่เกิดเฉนิบได้คนระัตามสบายาใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะไม่ไร้ายป่ ะ, ก, ะ ก, ก็ติดต่อที่ป่าไม้ได้นะลองไปติดต่อเจ้าหนะ้าที่ป่าไม้ก็ดูเขาก็มีบ้านพักให้อยู่ได้ ถามถามยามที่ด่านก็ได้เวลาเข้ามาตรงป้อมยามถามก็ว่าอยากจะจองที่พักปฏิบัติธรรมให้จองได้ที่ไหนเขาก็จะบอกเราบอกเบอร์ให้เราเราก็โทรไปจองได้ไดต้ตามสบายเลยในทุกอย่างนะอ่ะหนังสือทุกเล่มซีดีทุกแผ่นนะ่ะ แเียแต่ว่าเอาไปแล้วต้องเอาไปอ่านเท่านั้นนะเอาไปฟังมีอะไระไเหรอก็แล้วแต่ว่ามันว่างหรือเปล่าหมายถึงที่ไหนาม า, ม า, าพักแล้วมาฟังท า, าก็ต้องติดต่อกับที่พักเขาเขาไม่เามีที่พักไม่ไม่มากก็คงจะมีคนจองเป็นระยะระยะก็ต้องถามเพราว่าเราต้องการมาเวลาไหนว่าง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 ถ้าอยากจะมีแบบมีกรอบหน่อยก็ไปพักที่วัดวัดนี้เขาก็จะมีกรอบให้ลงโบสถ์เช้าเย็นไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิรวมกันตอนเช้าก็ตีละรังตอนตีสี่ตอนเย็นก็ตอนหกโมงเย็นสองเวลาเขาก็จะเป็นที่พักแบบเป็นหอพักอยู่รวมกันแต่ถ้าต้องการปฏิบัตินี้ก็ เมื่อพักที่ป่าไม้นี่จะสงบจะเงียบกว่าจะไม่มีภารกิจที่จะต้องทํารวมกันออ่การไหว้พระสวดมนี้ก็เป็นการฝึกทาสมาธิแบบหนึ่งแต่สู้การนั่งสมาธิตามลําพังไม่ได้นั่งทำตานั่งสมาธิตามตามลําพังนี่มันจะได้ความสงบมากกว่าพอเวลาไหว้พระสดมนทาอะไรร่วมกัน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 อยู่คนเดียวนี่จะจะได้ประโยชน์มากกว่าได้ผลดีกว่ามีคำถามอะไรไหมในทางปฏิบัติท่างนี้มีหรอเ<ะ>ปล<ะ>่าปัญหาของพวกเราคืออยากปฏิบัติกันน้อยความอยากปฏิบัติยังไม่มากพอยังเสียดายความสุขทางตาหูจมูกนิ้งไก่ ยังอยากดูละครยังอยากไปงานเลี้ยงยังอยากจะสบายนอนมากๆากกินมากๆากถ้าจะมาปฏิบัติทางธรรมนี้ต้องต้องตัดเรื่องความสุขทางร่างกายไปความสุขสองทางนี้มันมันไปทางเดียวมันไปด้วยกันไม่ได้เหมือน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 มาได้ป๊อบเดี๋ยวหายแล้วพอหายใจก็ร้อนขึ้นมาพออยากจะได้อีกแต่ความสุขทางธรรมนี้มันไม่มันไม่คอยหายมันหายช้ามันอยู่ติดกับใจไปนานแล้วมันไม่ทำให้ใจร้อนทำใช่ทาให้ใจเย็นสบายดันก็ต้องเลือกเนะ้าแต่ยศ yes. อย่าใช้เวลาเลือกนานเกินไปนะเพราะว่าเวลาเราเหลือน้อยแล้วอายุก็มากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เวลาที่จะเหลืออยู่ให้ได้ปฏิบัติมันก็จะน้อยลงไปรีบน้ำขึ้นให้รีบตักตอนนี้น้ำขึ้นคือมีเวลาปฏิบัติให้รีบปฏิบัติเดี๋ยวเวลาน้ำลดแล้วมันไม่มีน้ำให้ตักเวลาแก่ลงไป ร่างกายเริ่มป่วยเริ่มเจ็บการปฏิบัติจะยากจะลำบากมากขึ้นถึงให้เราเล็กถึงความแก่ความเจ็บความตายไปเรื่อยๆไอ้ตัวนี้แหละเป็นยวกปัญญาแก้ความหลงตอนนี้เรายังหลงอยู่กับหลงอยู่กับวัยคือคิดว่าเราจะไม่แก่หลงอยู่กับสุขภาพกัน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 ก็เป็นญาติโยมที่เอาลูกมาบวชคนนี้เขาเคยบวชมาเป็นพระอยู่หลายปีเป็นมหาเลียงบวดทางทางปริยัตได้ป ร, ริยรู้สึกจะบวชสักสิบปีได้แล้วก็ศึกไปแล้วก็ไปมีครอบครัวแล้วลูกชายก็โตโตเป็นหนุ่มอายุได้ยี่สิบครบบวชยี่สิบกว่าฮนะ ก็มาบวชอยู่ที่วัดได้สองสามปีลูกชายก็รู้สึกมีความขมขมแน่นมีความสนใจในการบวชเรียนพ่อก็มาเยี่ยมบ้างแม่มาบ่อยกว่าแต่พ่อจะมาน้อยกว่าแล้วมาเช้าลูกชายก็มาบอกว่าพ่อเสียแล้วถามว่าเป็นอะไรว่าเป็นมะเร็งในปอดคือมารู้แบบกระทำหันไหมรู้แบบ พอป่วยก็เพิ่งมารู้ว่าเป็นแล้วก็เป็นแบบขั้นสุดท้ายช่วงที่มาราวที่แล้วก็ยังดูแข็งแรงไม่มีอะไรไม่มีอาการอะไรก็เลยแปลกใจก็รู้สึกว่าเออมันกระทันหันดีคนเราเวลามันจะไปนี่มันไม่แน่นอนมันเหมือนภูเขาไฟหรือแผ่นดินไหวไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาอะไร ให้เราต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจไว้เรื่อยๆถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราอาจจะเป็นอะไรไปในวัน2องวันนี้ก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็จะดีเพราะจะทำให้เราไม่ประมาทนอนใจจะทำให้เราตื่นตัวต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันแล้วเดี๋ยวเราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาแทบเป็นแทบตายกันเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียว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 ใจจะมีความพอในตัวของมันเองไม่ต้องอาศัยอะไรต่างๆในโลกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าธรรมบางสารนังกระฉามนี้เนี่ยทาเป็นที่พึ่งของใจถ้ามีธรรมแล้วไม่ต้องพึ่งอะไ ร, ไ ม, ร, ะรไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายนี้ก็ไม่ต้องพึ่งมัน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 เพราะว่ามีมันหรือไม่มีมันผลก็เท่ากันเพราะเราไม่ได้อาศัยมันให้ความสุขกับเราแล้วถ้าเรามีธรรมอยู่ในหัวใจเรามีธรรมผลิตความสุขให้กับเราตลอดเวลานั้น พ, พยายามรีบหาที่ปฏิบัติธรรมนะพยายามปฏิบัติธรรมกันเพราะการปฏิบัติเท่านั้นถึงจะทําให้เกิดผลขึ้นมาการได้ยินได้ฟังการเรียนนี้ไม่พอ เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญแต่ไม่พอเพียงเป็นส่วนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นถ้าเรียนแล้วไม่ไปปฏิบัติก็ผลก็จะไม่เกิดขึ้นมากลับมาได้ที่กว้าง ไปมาแาบนั้นก็ได้เดินทางมากราบกนทุกทีอืมมานั่งนอตเข้ามาที่นีลยนั่งตนมันบร์เดมมาเอาฟอนด์เ่อย้หอจดน้เให้น้องเพให้อดินี้ตั้งใจเลยพาเามากินีชากันแล้วก็เลเสลินบอกว่าเดี๋ยวจ พาะปจารักษ์อาจารย์วันเด็กั็น้องกินกังก่อนแล้วนะกินก็จะม่อคยเลี้ยงไม่มีที่เก็บแล้วไม่มีที่ใส่แล้วเขาบอกโอ้เลี้ยงทีนี้เลี้ยงเป็นคนคนกินนีหมดอ่ะมาาก เขาอยากเห็นอยากมากาบบอกเนี่ยมากาบอาจารย์เป็นเพื่อนที่ไหนกันมาอันนี้ราคาที่ออันนี้กศมสุพรรณอ่อันนี้กศมออันนี้ที่ไหนนะใลตกล้ใก้ลงโป๊ะโอโป๊ไม่เคยก็เลยพามาสเวนทัวร์ีกลูกพี่ลูกน้องค่ะพี่สาวรู้จักรู้จักในวาระต่างๆกันนะ ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันนะนอกจากกินว่ามีปาซีบอกทั้งปาซีเั้งแสวงบุญกันนะ แล้กพดีเขาก็ชอบทำบุญด้วยก็เลยทำอ่ะเราก็จะมางานแต่งงานพระธัญญาด้วยค่ะงานแต่งงานคนที่จะไปงานก็ปางอยู่สุพรรณที่อยู่อำเภออะไรอําเภอด่านช้างค่ะดานช้างหลวงพ่อพูดอาตมาตอนสมัยเด็กก็โตที่อำเภอเมืองอยู่ในตลาดเทศบาลอยู่ใกล้ๆท่าเรือ ตลาดเก่าบ้านหนูก็อยู่อเภอเมืองสวนแกค่ะแต่ว่าย้ายไปอยู่ด่านอ๋ออยู่ตลาดเก่าตลาดเก่าเป็นร้านร้านวีนัทมันเ็ขาทผมร้านตัดเสื้อผ้าเป็นเือสอางของเขาด้วยเขาเป็นแม่เขาแม่เขาเป็นน้องสาวของพ่อเราอ๋อค่ะอันเด็กเดก็เคยกินอยู่ที่บ้านเขามาเพราะว่าบ้านเราอยู่กับบ้านของย่าที่ อยู่ใกล้ๆกันอยู่ไม่กี่ห้องแถวห่างจากกันก็ไปไปมาหาเสริมกันอล้วมีนัดใช่ไหมอยู่ในตลาดนะเขากิดเป็นตัวที่เขาว่าบ้านบ้านของคุณเขาว่าบ้านคุณบัญหางก็อยู่แถวนั้นเนี่ยสมายนั้นมีร้านอยู่นี่อยู่ในตลาดนั้นแต่เราไม่รู้จักเพราะนั้นเรามันเด็กอ่ะอยู่ถึงอายุประมาณสักสิบขวบก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพมาเรียนภสษาที่กรุงเทพต่อ อยู่ประมาณแปดปีมนะั้งอยู่ตั้แต่ประมาณสองขวบ mm hmm. พ่อก็ไปฝากอยู่กับยา่ mm hmm. พาพ่อเขาตลอนหางานไปเรื่อยๆเลยไม่ไม่สะดวกที่ยาวไปด้วย mm hmm. พ่อเขามาตั้งลูกรากได้ที่ปัตยา mm hmm. เขาก็แล้วเอามาเลี้ยงเอากลับมาเามาเรียนหนั mm hmm. าางสือที่กรุงเพพ่อ mm hmm. เราก็มาตั้งลูกลากอยู่ที่พัตยาเมือ mm hmm. ตอนที่เราสิบขวบตอนนี้เราหกสิบกว่าก็ห้าสิบกว่าปีมาแนละ้ว สมัยนั้นทัตยายังไม่มีถนนลาดยาง <c oughs> เป็นถนนลูกรังวิ่งเรียบชายหาดไฟฟ้าก็ยังไม่มีอมตอนนั้นต้องใช้เครื่องปั่นไฟกันเนองแล้วก็เจาะบ่อน้าขุดบ่อน้ากันสมั54 <c oughs> สมัย5ป็นสมัยายงสงบเงียบ <c oughs> สะอาดอม <c oughs> ไม่มีเตกไม่มีโรงแรมไม่มีอะไร มีบ้านพักษาอากาศไม่กี่หลังเป็นสำหรับคนกรุงเทพที่เขามาซื้อสร้างซื้อสร้างทิ้งไว้มาพักษาอากาศช่วงเนี่ยช่วงปิดเทอมแล้วต่อมาก็เริ่มมีโหร์ฝรั่งมาก ถ, ถ้าช่วงนั้นที่ชายหาดจะไม่มีราคาเลยเช่วงนั้นเขาขายรายละแสนไม่มีคนซื้อเลยตอนนั้นอย่างที่ศึกได้เราเป็นไม่รู้ เป็นลอยล้านเนอะมั้งลอยแถวชายทะเลอย่างเงี้ยเป็ น, นเกินแ ล, นล้วก็เกินแล้วแต่มันก็ที่ัเดียวกันนะแต่ทำไมราคามันเปลี่ยนได้เนะาะปัจจุบันนี้สัญญาณเปลี่ยน อ, อย่างมีอะไรอยากจะถามหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินได้ฟังธรรมะป่ะฟังครับ อเคก็บอกอยว่า <Rolling> ท <signals> ่านเจ้าคุณจะเทศตอนได้สองถึงสี่โมงเดี๋ยวกาหนังสือไปก็จะมีหนังสือวัดยาเนี่ยเป็นภาพถ่ายวันนี้วันจริงบุญเดชเขาเขาอยากมาเอาพรคนนี้ค่อยๆจะลบมากค่ะใครให้พรก็ไม่ไม่จะทอบจะต้องมาขอพรคนนี้บอกว่าเออก็ธรรมะที่แสดงนั้นเป็นพรดังนั้นดูเปล่าอืออ่า จะให้อีกทีก็ได้ยะถาวาลิวาหาปุราปรุเรปุรเรนติสักลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดว่าเมวาสมิจจาตุสับเพปุรเรนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยะถามณิชโชติ สาระโสยถาสภิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตอันตาลาโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสานิจังวุธาปจายนโนจตารโธรรมะวาทานติอายุวโนโสุขง า, างาลัง เอ่าอ่าต้องการหนังสือซีดีเอาไปได้นะอยู่ในกล่องสีเหลืองอ่ะอยข้างหลังนี่ข้างหลังหนังสือสีฟ้านี่เป็นรูปวัดยาประวัติวัดยานะเรื่อสีฟ้าเนี่ยเล่อสีฟ้า ระเทียกชเพื่อนเพื่อนบ้านม่ากงอะไรเดี๋ยวช่วยเอามาเพิ่มอีกหน่อยได้ั้ยนักเตะประบาดเอามาากงถ้าไม่มีก็ต้องแบลงเอาอทุกเล่มแล้วหนึ่งชุดหนึ่งชุดต่ลคนนะครับอันนี้อะไรคะพีก็เป็นเป็นเทศรวมของปีที่แล้วรวมปี อันนี้พี่สาวไม่ได้มาคนขาดอ่อนใช่ไหมปวดขาลูกสาวมากับลูกสาวป่ะลูกสาวก็มาด้วยป่ะมามา้วกันเขาอาสัทรถเขาให้เขานั่งขับรถดคนนี้ก็ขี้เกียจขับรายการนี้ขาดไม่ได้นะ เขาบอกว่าขับรถให้ความกันแล้วก็จะพาไปเลี้ยงเขาเป็นคนจ่ายตังค์จะว่าให้ขับรถให้เขาอันนั้นคืออะไรอันนี้อะันนเจ้าอออันนี้อันนไม่เห็นออันนี้ไมเห็นอัีอันนั้นเห็นอันนั้นัแล้ว ก็เล่นนี่มาครบอ่แล้วก็จะมีพ mm. right ิมพ mm. ์หนังสือนะแต่นี่พูดตามไปพิมพ์หนังสือประจำสามเดือนจะออกเล่มหนึ่งต้องแยกถ้าจะพิมพ์หนังสือก็ติดซองดีเล่มแล้วก็จะมีมีชุดติดสื่อต่างต่อตามเดือน เดี๋ยนนี้จะไปกินทไหนต่อยเับมื่อวันนี้เมื่อคืนก็เลี้ยงันดึกเลี้ยงนไม่มีวันผ้าวันโกนเลยนะหนาวโรงแรมมีรุ <lung es> ่งีง <memories> <illnesses> <sono> <aunt> <arsi> อ๋อที่ไหนะเขาบอกว่าติดกันเลยค่ะเก้าร้อยคนเขาบอกหัวหัวเก้าร้อยแล้วก็วายแผนแล้วกันเพราะว่าปกติก็เลี้ยงกี่อยู่แล้ววายก็ไม่คิดเขาบอกว่าวายส่วนนึงี่พนมาเลี้ยงผลิตหมดไปกี่ขวดเขาไม่รู้ตอนนี้กลายเป็นเยี่ยวให้ม้น ที่พันก็าหาไม่หมดอย่างงี้ถ้าจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ต้องพักที่ไหนคะกางก็ที่วัดมีที่พักอยู่แต่ที่วัดก็มีที่พักที่วัดยานี่สะดวกสบายมีห้องน้ำด้วยตัวที่อื่นไม่ที่มีดีห้องดีเป็นหอพักเหมือนหอพักแยกจะมากบ้า3ไันใช่เขามีที่ ที่ติดต่ออยู่นั่งซื้อเลหนึ่งครท้ายก็จะมีในนี้ไม่มีตั้งอยู่องหน้าก่อนสี่ห้องไม่ว่างเดี๋ยวหนูคงต้องขอมาฟังทางฟังจะให้เขาเาอาทิตย์เอาทิตย์เพราะว่าลูกสาวเขาเออตอนเรียนมัธยมใช่ไคเาปที่วันของพ่อเลนั้นเขามีการสอนปฏิบัติใชอ่านหนังสือเรียน ใช้วิธีอ่านนี่เรื่องไปอ่นนี้เรื่องไปนี่อ่านหนังสือพวกนี้ไปแล้วจะเข้าใจเอาทผ่น C D ไปฟังก็ได้นะเอออถ้าจะฟังทำจริงๆก็ต้องเสาร์อาทิตย์ว่าวันธรรมดานี่บางทีก็พูดบางทีก็ไม่พูดบางทีคนไม่ไม่จี่คนก็ไม่ได้พูดแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นี่จะพูดอ่าประจำเพราะมีคนมาฟังกันเยอะ วนธรรมดานี่บางทีมาคนสองคนก็จะไม่ได้พูดอ่านหนังสือจุ๊บค่อ่านอ่านเยอะมากอ่านจนเรามีสองเหตุผใจเราสุกขึ้นนะใจเราสุขึ้นแต่าออขขงปฏิบัติองนเานั้นมันก็ยังสุขไม่มากพ อ, อ, อถ้าปฏิบัติจะสุกมากกว่านั้นอีกหลายเท่ามันเหมือนแบบว่าเรารู้เลยว่าเราเรียนขึ้นอีกตอนที่แบบหายมุหหายเออใช่ช่วยตัดความโลภความโกรธได้ออยาม พยายามอ่านไปเรื่อยๆก่อนแล้วต่อไปก็เอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วยิ่งยิ่งจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆหจะเก็บหนังสือนาะอ่านทุกเล่มเลยจนตามหนัง ส, มมสือแล้วมีสามเดือนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานอันนั้นก็ดีใช่คนะ่ะแล้วหนูก็จะเก็บเ ก, เก็บเก็บทุกเล่มเลยเอพอวันไหนเรารู้ว่ามันเหมือนกับเราโลภหรือเราอะไรเงี้ยเรารีบเล อ, อ่าน้นไ อ่านไปต่อไปมันก็ไม่ต้องอ่านต่อไปมันจะจําได้พอโรคปั๊บมันก็หยุดได้เแต่เร็ขึ้นอาโหเร็ขึ้นมองทุกอย่างแบบเร็ใช่เออมันไม่มีอะไรเราไปบ้ากับมันเอของต่างๆมันไม่มีความหมายอะไรเราไปให้ความหมายมันเองแห็นไหมเพชรมันก็เป็นก้อนหินดีๆนี่เองเห็นไมกินก็กินไม่ได้แต่เราไปให้ความหมายว่ามันมีคุณค่าราคาพอหายไปก็โกรธ กันเป็นบ้าเป็นบอไปเลยหายก้อนหินไปก้อนเดียวให้เป็นบ้าได้คนเราจริงๆอ่ะมันกินได้เปล่าถ้าไปหลงป่าไปเจอกล้วยกับเพชร้เจ้าอะไรนะาน่ะพอพูดตนใจนิดหน่อยเอาไปคิดดูปิศนาธรรม ปล่อยวางปล่อยวางของที่พูดอว่าิงแต่พอเห็นเ็ดเอาเเ็งเปคน่ของกินไปหาเอ้งหน้ก็ยอมปดแต่เอาเพ็ดไม่ล่ะตอนนี้มันมีของกินเยอะมันเพ็นมันหายากก็ะเลยเพ็ดมีเยอะเพ็ดมีเยอะเหมือนกันถ้ากล้วยหายากกอกล้วยดีกว่า พยายามทำบุญกันไปนะทำบุญกันไปก่อนสวัสดีแฮปปี้บัดดี้นะเัง่ถงพ่อตาตั้งแขงบัดดี้โอเคตาตั้งไว้ก่อนถ้าไม่มีเค้กคือเราไม่ออกก่อนก่อนเที่กินกอมอพก่อนเจอกัึงถึงวันเกิด ก็หนูเปิดร้านอาหารค่ะอ๋อดีอ้อ้ลูกค้าเยอะๆขายดิบขายดีจาได้มาร้านข้าวัทยาจะได้มาพัทยาทุกเดือนสาธุดีลูกเขาไปสุเกตค่ะไม่งั้นไม่งั้นจะเลี้ยงวันนี้ค่ะไม่งั้นเย็นเนี่ยต้องต้องงานเลี้ยงนแต่พี่บอกว่าเขาไม่อยู่ ก่อนแล้วกันอ่มคืนเาก็เลยเลี้ยง่ตอนเห้าเเหมือนกันอ่ะวันไหนก็เหมือนกันวันนี้ก็เลยมาเลี้ยงเฉยเวันที่ก็เลยมาเลี <c oughs> ้ย ง, งปีาวันเกิดอยากจะกินอากาสาธลานะาเ่เชิหญหยิบได้นะต้องการนังเสือเริ่มไหน มาพักปฏิบัติที่ป่าไม้เลยหรือต่างเนี่ยยั น, น, นไม่เด้มาอ่าเป็นเพื่อนน้อง น, นงอะเพื่อนโยกนะน้ำสบายเชิญน้ำสบาย ได้ได้เอาเลยมาแล <c oughs> ้วาวเขามาแล <c oughs> <c oughs> ้วพ <c oughs> อก็เห็นแต่งเป็นสีแดงก็ไมได้แน่นเสือ ก็เห <els> ็นเชิญหัวแก้เขาเลยบอกนเหไม่มาเลยแล้วลูกสาวหรอสามของลูกตาตัวเองไม่ใช่ทานค่ไหนที่คืเนมันจะได้ไม่เอิบาไเราเนีคุยธรรมะนานๆได้เรื่องเดี๋ยวไปรออย่าขาอย่าา ที่ว่าไม่ได้มาซะแล้วมาค่ะมาบอกเรื่องอยากได้หนังสือเหรอมีหนังสือไม่รู้ทางการอะไรก็เอาได้นะโคชุปันมาเขาไปมาได้พาประมาณเพราะเขาขายข้าวเหรอขายข้าวเขาเป็นเขาแก่ใหญ่อชุปัน จะกลับแล้วเหรอเออได้ลองดูแล้วคุณเด็กกล่าวว่มีพาขมไหว้ไม่ได้ไม่ไ ด, มได้ไม่มได <laughs> ้อะไได้ไม่เป็นไรตาผสมวิญญาณนี่หนังสือประวัติวาณไบไงนื้น ส, น ส, นสีน้อสีฟ้าน้สีน้ำเงินเนี่ย เ, <laughs> เป็นไง ยองมดีน่ะีพออยู่ได้ไหม้รู้สึกเครียดอ่นอัดไหมต้องมาอยู่ไม่เนละเอ อ, เ อ, อก็สลับเดินไปก่อนเดินให้มากๆถ้าเดินเมื่อยแล้วมันก็จะนั่งได้ง่าย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 เปิดมันขึ้นมาเพื่อเราจะได้ไม่ลหลงไหลไปกับร่างกายมันก็เป็นเพียงแต่อาการสารทิสองไม่มีเป็นตัวใครของใครไม่สวยไม่งามอย่างที่คิดกันแลาใจจะได้สบายไม่มาหุ้นกับเรื่องเรื่องของร่างกายพยายามทำไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆพยายามเห็นบ่อยๆเห็นเห็นให้มันชินตาชินใจ อย่าเห็นแต่เฉพาะเวลามาปฏิบัติธรรมพอกลับบ้านไปก็หายไปหมดมองไม่เห็นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องเห็นตลอดเวลาพ อ, อเห็นแล้วมันจะไม่หลงมันจะไม่ยึดไม่ติดมันจะไม่รักไม่ชัง ม, มีใครไปรักกระดูกชังกระดูกเ้างนถนะตาเห็นเป็นโครงกระดูกก็ไม่รู้จะไปโกรธเขาทำไม ไปเปี่ยนเขาทำไมมันไม่เห็นมันไปเห็นอย่างอื่นเห็นหนังที่หุ้มอยู่ก็ไปหลงกับหนังดีแล้วล่ะเห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเริ่มเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นความจริงดีแล้วบาวนอง ไ่เคยเม่อวานเพื่อนออกมาที่ปกกนที่มาอ๋อใช่ที่คนที่เขาขายข้าวใช่ไหมะที่บางแสนเนี้ยไม่ไม่เขาบอกเขาขายค่เขาขายข้าวที่บางแสนทุกทีพาเขามาคขาไ่บอกอยากมาอเองไม่ร้อนเหนื่อวนนี้เขามาได้ได้แล้วกล้าคุยเด้นะคะคอ แสงแสงสารพัดสารเทออแตราก็มีคำถาม อ, อยู่อะค่ะเออคือนอนไม่หลับไงก็บอกนอนไม่หลับก็บอกว่ามันนอนไม่หลับก็เพราะว่าไปหลงกับเรื่องราวต่างๆไม่พิจารณาว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราแล้มไม่พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หมดไปอืมอืมปัญหาเยอะอ่ หลงหลงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เลยเครียดไงก็วันออกไปหาแม่ไปกรุงเทพไปเอาหนังสือตอปัญหาคาจเสพเลให้แม่ค่ะเอามาทาโดนแม่เราหหนังสือน่ารักมากเยรับอาจารย์มีโน้ตด้วยแล้วเขามีรูปอาจารย์เอาไปแปะไว้ในหนังสือแล้วเขียนว่าขอหนอนกลาอนกลารับอาจารย์น่ารักา เอามาแล้วเขียนนะคะันเไหร่กมาให้พิจารณา87แล้วแล้วมีการเขียนเ่าก่อนแน้าเเสียด้วยนะ85เราสบายไม่ไหวแล้วมีมีเขียนเรื่อหนึียด้วยน่าอยุ่งเทพเหระอยู่กับใครอยู่กับน้องชายกับหลานไม่เรามาอยู่กับน้องพิจิตรหลอนควรรู้จะควรยังไงในเวลาอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ก็มีความสุขกัแล้วกัน ก็ชอบอยู่ที่นั่นกรันสบายไม่สบายใจใช่อคว่านี้ก่อนดมีอะไรเหรอหนูไม่ยังออรมั้ง้ต่เขาสอบตกทไมสบารคนไม่ไหวเาขอออกมาบอกแล้วาบอกว่า เขาได้ยินเสียงสวดมนต์ตลอดเวลาวันนี้ก็เลยขอออกเงี้ยบอกท่านด้วยค่ะที่ซึเวลาเขานั่งสมาธิอาจารย์ท่มักจะมีปัญหาเมือเคยได้ยินเสียงสวดก็อย่าไปสนใจเสียงสวดมนต์ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ปล่อยก็สวดไปเถก็ฟังไปเนี่ยเหมือนเราเสียงได้ยินเสียงว่ตุ๊กป้งงถ้าเราไม่ไปราคาญมันก็ไม่มีปัญหาเลยเราไปราคาญเองเราไปอยากให้มันหายมันก็ราคาญขึ้นมา ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายก็ปล่อยมันมันสวดไปสิมนะันก็ปล่อยมันดังไปพิาจารณาว่ามันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้เราก็พโทโธเราไปแล้วก็สวดแข่งกับมันไปก็ได้หรือสวดตามมันไปก็ได้หรือสวดภาษาที่เราไม่เข้าใจรู้แต่ว่าเป็นสินส่งสวดมนต์นะค ะ, ะมาได้ยินเลยตั้งแต่เช้าก็จะมีพระขยัน คนตลอดเลยก็ไ ป, ไปถามหยอกหยอกแต่ไม่ได้ย น, นว่าเราขังตัวเองในห้องมากไปหรือเาไม่เป็นไรหรอกสองวงนี้เป็นเรื่องธรรมดาได้ยินก็เพยงแต่ให้สักแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยวางมันไม่มาทำลายเราไม่ใช่นะมันไม่ได้มาทำร้ายเราไม่ใช่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรเราก็ถือว่าเป็นเราเสียงเพลงเราไม่ไม่บ่นนะเนี่ก็เป็นเสียง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 ไม่เป็นไรไม่มีไม่มีอะไรหน้าีิเลสมันอะหาเหตุออกมากกว่ามั้งมันถูกขังอยู่น า, นานแล้วมันอึดอัดเพราะภาวนาไม่สงบนะถ้าภาวนาสงบแล้วมันไม่อยากออกนะอยู่สบายอยู่ข้างในสบายอยู่อยู่ออกความข้างนอกแล้วมันร้อนอยู่ข้างในแล้วมันเย็นใจมันเย็นแต่แรงของสติเราเผลอบ่อย เธอจนไม่สามารถควบคุมความอยากได้พ อ, อเข้ามาวันแรกก็ะต Kristen มาแหลังเสียเลยก็เลยอ่ออ่ถ้ามันออกไปได้วยเหตุไม่เป็นไรแต่อย่าให้มันออกไปเพราะความอยากของเราพอกลับเข้ามามันก็ยยังฝ่าจะับตัวได้ะก็เิทาปอีวันหน่งอยู่ได้กี่วันนั่นแหละสี่วันเหลืออีกสามวัน แล้วอยู่กันโยกเป็นไงปนไงปมีปัญหาเรื่องเสียงไหไ อ, อพออยู่กันด้วยกันได้นะพยายามเปิดปิดประตูเหมือนขโมยนะนอกปฏิบัติธรรมต้องระวังเรื่องเสียงมากเพราะเสียงนิดเดียวมันก็ไปไปไ ป, ไปกระทบกับใจได้มันจำเป็นมันไม่มีที่อยู่ก็ต้องอยู่กันแบบนี้ไป แต่มันก็ดีอย่างสองอยู่ด้วยกันสองคนมันปลอดภัยกว่าอยู่คนเดียวคิวหมอคิวหมอเดือนคิวหมอเดือนเดือนหน้าหรือวันที่อะไรวันที่11สิงหา18ใ่1ถึง10เอี่พูดถึงตรวจมอนตามเ่อวานสองหนูบางครั้งมันอ่อนมันเรียนมากเลยใช่ไ เคสโรมาเนสลตาแต่อตอนแรกแรกเราก็สวดตามก็ครบเสร็จปุ๊บนะมันจะมีเหมือนแต่ว่าสวดเคสโลมาตะโจเราต้องดึงสติสว่าเฮ้ยมึงข้ามคันตาไปไว้แล้วก็เราต้องดึงเราดึงอย่างเงี้ยเพราะมันก็จะหลอกเราถ้าหลตาก็ไม่ต้องไปดึงมัน่อไม่ดามธรรมชาติมันจะข้ามก็เรื่องของมันไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องท่องของเราเข้าคุกคของเราเช่นเช่นอะไรไม่จําเป็นหรอก คือที่เราให้ท่องนี้เพื่อให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านเองถ้ามันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะไม่ไม่ครบก็ได้มันจะขาดตรงนั้นขาดตรงนี้ก็ไม่เป็นไรคือพอเริ่มเอ๊ะปุ๊บตอนไม่เสียงจะแยกเปพอพอไปพอไปไปไปกระทําอย่างเงี้ยมันทําให้ใจเราต้องทํางานล่ะไปบังคับมันล่ะปล่อยมันใช่ปล่อยมันเป็นตามธรรมชาติสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาีปล่อยมันไปตามธรรมชาติอย่าไปบังคับมัน ถังคับมันเดี๋ยวใจเราก็เครียดขึ้นมารังคับมันไม่ได้มันจะข้ามบางขาดบางก็เรื่องของมันเราให้รู้ให้รู้แค่นั้นก็พอแต่ว่ารู้เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเกิดอารมณ์กับมันขึ้นมา มันจะแยกอ 2, <000 S 2> อกเนสองหันตอนแรกก็เหมือนไปคู่กันเองท่องค่าก็ท่องก็อย่าไปสนใจมั น, ถ, มนถ้ามันถ้ามันท่องไม่ถูกใจเราเราก็ท่องของเราไปไม่ต้องไปบังคับให้มันท่องตามที่เราต้องการของนี่มันเกิดนี่เราไปบังคับมันไม่ได้มันออกมาเองนั่้แหล ะ, ะ, หะทีนี้เนี่ยมืมื่วานที่นั่งออาจารย์ไม่รู้มดสิ่งหรือมดปลอมเดินหน้าเดินมันเดินตอนแรกเราก็ เดี S <S <S <S <S <S okay. hmm. ๋ยวเฮ้ยก้องอยู่นะควับอาจารย์แตกพะศอกเสียใท้ให้ก็ใช้มุสเบรมที่เล่าให้กับอาจารย์ะู้สือว่ามันก็มันจะเกิดแล้วเราก็เหมือนกับเราแยกออกมาแยกออกมาเรายังท่องของเราเพราะเราถือว่าถ้าเราเข้าไปอินเตอร์เวนแสดงว่าเราอยากให้ปัญหาตอนที่มันจะอินเตอร์เวนคือจะยกมือขึ้นมาปัดให้ได้แล้วรู้มดจริงหมดปลอมก็เลยต้องแบบว่า กลับท่องกลับไปแต่พวกเราจะมาจะอินเตอร์เวนช่นงก็เลยกลับไปท่องกลับไปมันจะเหมือนแยกแว่าไอ้นี่มดก็ยัเดิ น, นอยู่แล้วก็ยังท่องอยู่ข้างนันท่องๆๆก็หลายรอบอยู่พอมดจะหายไรู้มดจริงหรออก็ได้ก็ไม่เป็นไรจริงหรือปลอมก็เราไม่ไปยุ่งกับมันก็ใช่ได้แต่เราไปยุ่งกับมันเราก็ถอดตก เ, เราต้องการจะปล่อยวางจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้คุณปูมาแล้วนี่ เอาแล้วนะพอดีมีธุระอย่างหนึ่งต้องทำจ้อ